จะต้องเป็นการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองเท่านั้นมีคําว่าเท่านั้นเนี่ยนะเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ความจริงเนียไม่ใช่เรียนรู้สิ่งที่เหนือความจริงความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์นะเพราะฉะนั้นกรรมฐานจริงๆที่เราฝึกกันแทบเป็นแทบตายเนี่ย <_' c> เพื่อให้เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ถ้าไปเห็นกายเห็นใจแล้วไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ใช้ไม่ได้ถ้าไม่เห็นกายไม่เห็นใจใช้ไม่ได้เลยะ เน้นต้องรู้กายรู้ใจแล้วก็เห็นกายเห็นใจเป็นตรลักการรู้กายรู้ใจรู้ด้วยสติการเห็นกายเห็นใจเป็นตรลักรู้ด้วยปัญญาเครื่องมือก็คือสติกับปัญญานี่กรรมฐานจะใช้รูปแบบอะไรไม่สำคัญหรอกต้องฝึกให้มันมีสติมีปัญญาขึ้นมาให้ได้ถ้าขาดสติขาดปัญญาก็ไร้สาระและใช้ไม่ได้นี่พวกเราฝึกกรรมฐานเนี่ยเรามากักจะมีแต่สติ ไม่มีปัญญาทีนี้ต้องทําใจกว้างๆนะบางทีฟังหลวงพ่อแล้วแสลงหูแสลงใจในความเป็นจริงคือเราฝึกแล้วเราไมาก่กจมีแต่สติไม่มีปัญญาเช่นเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกสติเราจับอยู่ที่ลมหายใจไม่หนีไปไหนเลยแต่ไม่มีปัญญาจับนิ่งๆอยู่กับลมหลายคนดูท้องผองยุบสติจับอยู่ที่ท้องไม่เคลื่อนไปไหนเลย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 สติมันระลึกถึงรูปธรรมนามธรรมสติทำหน้าที่ระลึกสติไม่ได้ทำหน้าที่กำหนดและสติคือความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่าความกำหนดได้สติเป็นความระลึกอะไรทาให้สติเกิดขึ้นในพระพิธรรมก็สอนนะทีระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะธรรมได้แม่นยาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติทีระสัญญาคือการที่จิตจาสภาวะได้แม่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 แต่ลราเที่ยวไปดูตามสำนักปฏิบัติทั้งหลายนะครูบาอาจารย์บางสำนักท่านก็ดีนะท่านทำของท่านได้แต่พวกลูกศิษย์บางทีเข้าไม่ถึงสิ่งที่อาจารย์สอนหรอกลูกศิษย์ไปทำมิจฉาสมาธิกันอาจารย์รู้สึกตัวยกตัวอย่างหลวงพ่อเจียนหลวงพ่อเคยเข้าไปหาท่านไปดูไม่ได้ไปเรียนจากท่านตอนนั้นเรียนจากหลวงปู่ ด, ดูลเข้าใจล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 รู้ลมหายใจอยู่ก็เห็นตัวที่หายใจไม่ใช่เราอะไรๆก็เห็นว่ามันไม่ใช่เรา ก, กรรมฐานอะไรก็ここใช้ได้เหมือนๆกันนะถ้าหลักเนื้อหาสาระของมันถูกต้องแต่ถ้าเนื้อหาสาระไม่ถูกต้องก็ここผิดเหมือนๆกันไม่มีดีไม่มีเลวกว่ากันหรอกนะพอๆกันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราไม่ดูถูกกันนะว่าใครใช้กรรมฐานอะไรจริตนิสยัยใครเหมาะกับอะไรก็ここใช้อ น, นันแหละ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 นะถ้าจิตแข็งแข็งกระด้างนะยิ่งฝึกเราก็ยิ่งเครียดหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะเนี่ยฝึกไปแล้วก็เหมือนผีดิบซอมบี้ <Yeah. S 1> เยอะนะคนฝึกอย่างนี้นะลองไปดูที่สีทัะ ญ, ญาสิเยอะมากเลยนะไม่ <c oughs> ใช่หลวงพ่อแกล้งว่านะไม่ <c oughs> ไปฝึกให้จิตกระด้างอย่างนั้นจิตแข็งแข็งจิตซึมซึมใช้ไม่ได้จิตที่เป็นมหากูุสลจิตมีความเบาเรียกว่าลหุตาจิตที่เป็นมหากุศรจิต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 ค่อยเรียนนะค่อยฝึกรอบเช้ายังไม่ได้ตรวจการบ้าน8โมงพอดีเชิญนโะยมไปทานข้าวนะทานข้าวด้วยความรู้สึกตัวนะอย่าทานข้าวด้วยความมาริดอร่อยกำลังจะตักแล้วเพื่อนตักไปก่อนโมโหนะเห็นเ้ยมีลูกชิ้นจะกินแล้วมันตักไปแล้วแค้นนะให้รู้ทันใจตัวเองนะจะเข้าส่วมจะทำอะไรนะให้รู้สึกไปเรื่อยๆฝึกรู้สึกไปนะแล้วมรรคผลนิพพานจะอยู่ใกล้ๆไม่ไกลหรอก